เราจะต้องตั้งใจกันแล้วเรามาชุมนุมกันในศาลาการประเรียนนี้เพื่อมาตั้งใจตั้งสติสำรวมใจมาฝึกใจที่กวดแก่งให้สงบลงในอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ผล อันสูงส่งได้แต่บุญกุกศลเป็นอุปนิสัยอันเกิดจากความเลื่อมใสในคุณพระตาไกลเท่านั้นแหละแต่ที่จะให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนะ้่มันยากถ้าไม่ตั้งใจจริงๆนะเดินตรงตั้งใจ การที่เราตั้งใจเข้มแข็งอันนี้แหละที่ว่าเป็นการฝึกจิตให้กล้าหาญไม่ให้จิตอ่อนแอธรรมดาจิตอ่อนแอนี่เรารู้ตัวอะไรทุกคนแหละมันไม่สงบอยู่ได้หรอ ก, กายก็สงบไม่ได้ถ้าใจอ่อนแอหลอแอร์แล้วนะ คอยแต่จะเคลื่อนไหวไปมาอยู่งั้นแหลอะอจะนิ่งนิ่งอยู่โดยลําพังนี้ไม่ค่อยได้แล้ะเพราะว่าจิตเนะี่ยมันเป็นใหญ่กลัวกายวาจาอย่างที่เคยพูดมาแล้วนะนะพอจิตมันวันไว้อาการกายวาจามันก็วันไว้ไปตามเป็นฉะนั้นถ้าจิตมันนิ่งกายมันก็นิ่งด้วย ในเรงการฝึกตนของตนนี่มันเป็นความดีเพราะว่าความสุขมันจะเกิดจากความสงบนั้นอันนี้ไม่ความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่มีอยู่ที่อื่นเลยมีอยู่ที่ความสงบ ความสงบมีอยู่ที่ไหนความสุขก็มีอยู่ที่นั้นสงบภายนอกสงบภายในสงบภายนอกเช่นอย่าคนหมู่ห น, หนึ่งอยู่ด้วยกันรองดอ ง, องสามาคีกันไม่วิวาทบาดห้างกันแสดงกิริยาอาการละมุนละไมต่อกัน ทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทาง จ, จิตใจก็มีเมตตาอารีต่อกันละกันถือว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหรือว่าเป็นเพื่อนสร้างบา ร, รมีด้วยกันต่างคนต่างเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันเช่นนี้ท่านก็เรียกว่า ความสงบเรียกว่าอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขเนี่ยเมื่อมีความสงบอย่างว่านั่นแล้วมันก็มีความสุขอยู่ร่วมกันก็มีจิตใจเบิกบานต่อกันแลกกันถือจะาว่าทั้งครอบครัวผัวเมียลูกหลานพอ่อแม่อะไรอยู่ด้วยกันถ้าหากว่ามุ่ง ส่งเสริมให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขอยู่อย่างนั้นใครผู้ใดก็ดีต่างก็มีจิตมุ่งที่จะส่งเสริมให้บุคคลผู้ที่อยู่ร่วมกันนี้มีความสุขความสบายใจยครอบครัวนั้นก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุข<ม>นี่เลยว่ามันพูดถึงความสงบภายนอกมันก็ต้องมีอย่างนั้นแหละ การที่มันจะสงบภายในได้มันก็ต้องสงบภายนอกก่อนอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละจะเป็นชาววัดก็ตามเป็นชาวบ้านก็ช่างเ น, นี่ยเป็นชาววัดผู้มาอยู่ในวัดถ้าปรองดองสามัคคีกันได้ดีมีศีลเสมอกันมีความประพฤต ทางกายละมุน ล, ละไมสมอมเสมอกันอย่างนี้น ะ, ะมีความเห็นตรงกันคือมีความเห็นว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วได้เห็นว่าผลแห่งกรรมดียอมอํานวยให้เป็นสุขผลแห่งกรรมชั่วยอมอ่ำหนวยให้เป็นทุกข์ มีความเห็นตรงกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตา mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็อยู่กันอย่างสบายๆนั่นแหละ mm hmm. เพราะว่าความสงบนี่ก็หมายถึงว่ามันมีไม่มีการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันให้วุ่นวาย นั่นมันจึงงๆอยู่เป็นสุขได้อันคนเราเกิดมาในโลกนี้ผู้มีบุญเท่านน่ะมีปัญญาชอบความสุขเกลียดต่อความทุกข์คนมีปัญญาทั้งนั้นคนชอบความสุขนี่นะคนชอบความสงบก็เหมือนกัน เป็นคนที่มีปัญญาคนขาดปัญญาแล้วนั้นย่อมตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาชอบแต่ความวุ่นวายชอบแต่ความสนุกสนานล่าเริงบันเทิงไปตามกระแสของโลกอันนั้นเรียกว่าคนมีกิเลสหลายปัญญาหน้อย ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าการเป็นอยู่เป็นไปแบบนั้นมันเป็นไปเพื่อความสุขอันยั่งยืนหรือว่าเป็นไปเพื่อความสุขชั่วคราวมันไม่ได้คิดวไม่ได้วินิจัยเลยถ้าผูใ้ใดวินิจัยด้วยปัญญาของตนแล้วก็ย่อมจะมองเห็นว่าอันความเพิดเพลินอย่างว่านั้น มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วแถมยังเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์อีกซ้ำผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เพลินนะเขาก็ไม่เมาถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็เรียกว่าเป็นผู้สเสวงบุญกุศลมีใจล่าเริงอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลคุณงามความดีเชียนอย่างทุกวันนี้เขาตั้งชมลม แสวงบุญกันขึ้น เ, เขาก็นัดแนะกันวันนั้นวันนี้ร่วมกันไปบาเพ็ญบุญกุศลที่โน้นที่นี้ mm. เอาไปกันแล้วเขาก็ได้ไหวพระสวดมนต์ได้ฟังธรรมได้กราบใจไหวได้สมาคมกับพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ มีศีลมีธรรมก็ทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสเรียกว่าเป็นผู้ลื่นลงอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลไม่ได้ลื่นลงอยู่ด้วยกิเลสตัณหาความลื่นลงอยู่ด้วยบุญกุศลแบบนี้นับว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาทุกยุคทุกสมัย และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติบังเกิดมาในโลกก็ทรงสั่งสอนให้คนทั้งหลายนั้นลื่นเลงบันเทิงอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีที่ตนกระทาบาเพ็ญมาอย่าปล่อยใจให้เพลินไปตาอ่อนหัของกิเลสตัณหาบาประธรรมต่างๆนี่มันมันมีสิ่งที่ให้ เกิดความล่าเริงบันเทิงใจมันก็มีอยู่ในพุทธศาสนานี่พระองค์ก็ไม่บังคับให้ใครนั่นละกิเลสขาดไปทั้งหมดให้ได้ถึงความสงบอันยอดเยี่ยมทั้งหมดทีเดียวอันเช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าต่างคนต่างสร้างบุญบา ร, รมีมามากและน้อยต่างกัน ไม่เท่าเทียมกันอันผู้ที่ได้สั่งสมบุญบา ร, รมีมามากแล้วหรือเต็มแล้วท่านเหล่านั้นก็ต้องแสวงหาจากความสงบนั่นแหละมากมากกวัวที่จะไปแสวงหาความล่าเริงบันเทิงใจอย่างนั้น <c oughs> ก็ก็ด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีที่มันแก่มันมากแล้วนั่นเองแหละมันทำให้คนเรา n ั้น ชอบแต่ความสงบไปลักษณะของบุญกุศลเมื่อมันมีกำลังมากขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหะให้พากันเข้าใจแต่ถ้ามันยังมีกำลังอ่อนอยู่นี่มันก็มีการลื่นเลงบันเทิงไปบ้างที่ท่านเรียกว่ากุศลกา ม, มาพระจรนั่นแหละเช่นอย่างว่าเป็นผู้มีความยินดีเลื่อมใส ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างแรงกล้าอย่างนี้น ะ, ะเมื่อมีความเลื่อมใสแรงกล้าก็ทำให้จิตล่าเริงบันเทิงอยู่ในพระคุณอันนี้มีการขนขวายหาเครื่องสักการบูชาเช่นดอกไม้ทูบเทียนของหอมนานาประการตกแต่งให้สวยสดงดงามบูชา พระพุทธรูปหรือบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยมีพระพุทธรูปเป็นสักขีพยานมีพระสงฆ์เป็นผู้รับรู้อันบนี้เราก็เรียกว่ากุศลกรรมอาวจรทั้งนั้นแหละหรือการได้ให้เข้าน้ำโภชนะอาหารเป็นทาน การได้ทอดกระทิ้นทอดผ้าป่าบางสกุลได้สมัครสมานสามคัคคีกันรวมกันเป็นหมู่เป็นพวกไปแล้วจัดทำกันขึ้นถวายทานไปทำให้เกิดจิตใจร่าเริงบันเทิงในกองการกุศลนั่นๆนอัน น, นี้ก็เรียกว่ากุศลกามมาวจร คือการบำเพ็ญกุศลดังกล่าวมานี้ได้ปรารบแสดงความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอันที่ก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลไม่ใช่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเช่นอย่างเราเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่สวยๆงามๆนั่งส ง, งบเงียบอยู่อย่างนี้ก็ทำให้ เราได้มีความเลื่อมใสขึ้นในใจหวนนึกถึงความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าองค์จริงนุน่นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วพร้อมทั้งวาสนากิริยากายวาจานได้ก็เรียบร้อยหมดพระองค์ทรงมีความสงบสงเงี่อยอยู่ตลอดไปอ เช่นเดียวกับองค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้านี้นี่แหละเมื่อเราหวนนึกถึงความเป็นมาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นทําให้เราเกิดปิติเกิดความเลื่อมใสในจิตใจอย่างแรงกล้าแถมได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งซึ่งเนื้อในใจความแห่งคําสอนนั้น ก็ชี้ให้คนเรานั่นได้เห็นหนทางออกจากทุกข์และชี้ให้รู้จักกว่าทางนี้ไปสู่ทุกข์อย่าดำเนินทางนี้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญให้พึ่งดำเนินไปโดยความไม่ปรำมาทผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อมองเห็นหนทางพ้นทุกข์ก็ล่าเริงบันเทิงใจเหมือนอย่างบุคคลที่ ทีแรกก็ไม่รู้จักหนทางดาเนินจากเมืองนี้ไปสู่เมืองโน้นจากบ้านนี้ไปสู่บ้านโน้นเมื่อมีผู้รู้ผู้ชำนาญในทางมาชี้บอกให้ว่าถ้าจะไปสู่บ้านนั้นเมืองนั้นต้องเดินตามทางเส้นนี้เมื่อเดินตามไปแล้วมันจะมีทางแยกตรงโน้นตรงนี้ แล้วให้ไปทางขวาหรือว่าให้ไปทางซ้ายจึงจะถูกกับปัานนั้นเมืองนั้นได้ดีอย่างนี้นะเมื่อมีผู้ชี้อบอกหนทางที่ถูกต้องอย่างนั้นผู้เดินทางไปสู่บ้านนั้นเมืองนั้นก็ล่าเริงบันเทิงใจไม่ระแวงใจว่าตนจะหลงทางไอ้อย่างนี้แหละฉันใดก็อย่างนั้นบุคคลผู้ได้ฟังธรรม รู้ทรรู้แนวทางปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วแถมยังได้ลงมือประพฤติปฏิบัติ ต, ตามแล้วก็ได้ความสงบความเย็นใจตามกำลังความสามารถของตนของตอนได้ความล่าเริงบันเทิงใจอย่างนี้นะ ม, มันก็เป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นมีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนผู้ ของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสนใจยินดีอยากจะสะดับตรับฟังคำสอนนั้นบ่อยๆอหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมสอนไปเรื่อยๆสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นเสขะนี่นะผู้ยังต้องศึกษานี่ก็จำเป็นต้องฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อย เพราะว่ายังต้องศึกษานี้ยังยังทนทุกขไปโดยเด็ดขาดยังไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นต้องศึกษาไปฟังไปคนคว้าไปเมื่อมันเกิดอุปสรรคขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็หาทางแก้ไขไปไม่ย่อท้อถอยหลังเพราะว่า ได้อุบายปัญญาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แเพราะฉะนั้นนักปราชั์ทั้งหลายท่านจึงเลื่อมใสยินดียิ่งในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นะไม่เบื่อไม่นายเลยอืยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วท่านยิ่งเลื่อมใสใหญ่ยยพระอรหันต์นั่นแนะท่านไม่เบื่อไม่นายต่อพระธรรมคำสอนแล้วเพราะเหตุว่า การที่ท่านจะทําอาสวะให้หมดสิ้นไปได้นั้นก็ะไยอาศัยที่ท่านได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนที่พระองค์เจ้าแนะไว้นั้นโดยความไม่ประมาทก็จึงสามารถละอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปได้เมื่อท่านละอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปได้ด้วยคุณธรรมอะไร ท่านก็เคารพต่อคุณธรรมนั้นไม่มีประมาทเลยเคารพหมายความว่ามันกำหนดมันพิจารณาให้เห็นแจ้งในพระธรรมนั้นอยู่เสมอเสมออย่างนี้แหละเส่นอย่างว่าท่านบรรลุมรคลธรรมวิเศษได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสีอย่างนี้นะเมื่อเวลาท่านทำความเพีย เข้าสมาธิภาวนาท่านก็เจริญสติปัฏฐานสี่นั่นแหละท่านก็กลว ด, ดูสติปัฏฐานธรรมสี่นั้นให้เจีมแจ้งในใจด้วยดีแล้วนั้นท่านจึงได้เข้าไปสงบสเสวยวิมุตติสุขอยู่ในพระนิพพานก่อนที่จะได้ไปสเสวย วิมุติสุขอยู่ในพระนิพพานเกิดท่านต้องเพ่งพิจารณาตรวจตาสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ให้เจ็มแจ้งไปเรื่อยๆอันนี้เป็นปฏิปทาของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือว่าพระอนาคาก็เหมือนกันแหละท่านผู้ <c oughs> ได้ความสงบใจด้วยกรรมฐานอันใด อย่างนี้นะก็ไม่ลืมกรรมฐานอันนั้นก็ย่อมเพ่งกรรมฐานอันนั้นให้เจมแจ้งในใจไปเสมอเช่นนี้แล้วการเข้าสมาธิก็ไม่ลําบาก mm. ไม่ลําบากแหละเพราะว่ามันเคยชินกับกรรมฐานนั้นแล้วพอกําหนดนึกเพ่งกรรมฐานอันนั้นเวลาใด กรรมฐานนั้นมันก็แจ่มแจ้งขึ้นในใจทันทีนี่นะเมื่อใจเห็นแจ้งในกรรมกรรมฐานอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่พุ่งสั้นรำคาญไปทางอื่นก็มีแต่จะไหลเข้าไปสู่ความสงบอย่างเดียวอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่ชานิชานานทางเข้าไปสู่ห้องนอนอย่างนี้แหละ ไปถูเตียงนอนอย่างนี้ตนเคยเข้าไปอยู่ทุกคืนอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ลังเลเลยอ ะ, อะพอเปิดประตูเข้าไปเดินเข้าไปก็ถึงเตียงนอนห้องนอนได้สบายไปเลยเพราะมันชินพล ร, รงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการทำสมาธินี่เมื่อผู้ใดไม่ลืมเลือนกรรมฐานที่ตน เห็นแจ้งมาแต่ทีแรกนั้นแล้วก็ไม่เป็นเรื่องลำบากการทำสมาธิภาวนาเพราะมันชำนิชำนานมามากต่อมากแต่บางคนนั้นไม่ไม่ยืนตัวอยู่ในกรรมฐานเป็นผู้มีใจโลเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะนั้นต้องทำอะไรต้องให้มันมีสัตว์มีจริง เมื่อตอนเจริญกรรมฐานอย่างนี้ใจจึงสงบลงอย่างนี้ก็จําให้แม่นไว้อือย่างนั้นแหละแล้วคราวต่อไปก็เจริญกรรมฐานอันเก่านั้นแหละอีก เ, เพ่งเอาให้กรรมฐานนันมาแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วมันก็สงบลงได้เท่านั้นเองนะอืดังนั้นพระพุทธเจ้าจึางได้ทรงสอน สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงที่สแส่งทุกข์นี่นะจึงได้ทรงสอนให้กระทำให้มากจเจริญให้มากนี่นะจำเอาไว้คานี้นะถ้าเราไม่จเจริญให้มากไม่ทำให้มากแล้วมันจะไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงได้เลยจะมีจะมีใครแนะนำอย่างไรอย่างไรก็ตามแหละ จะมีใครแนะนำในทางที่ถูกที่ต้องอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าตนไม่ทำให้มากไม่เจริญให้มากจนชำนิชานาญแล้วก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยเพราะฉะนั้นให้บากันสังเกตให้ได้เมื่อตนชำนาญกรรมาฐานอะไรใจจึงสงบก็ เคารพต่อกรรมฐานอันนั้นเลื่อยไปแม้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็อย่าไปลืมกรรมฐานอันนั้นต้องจวจตราอยู่เสมออย่างนี้แหละเช่น อ, อย่างบางคนนะเมื่อมาเึกถึงความตายเป็นอารมณ์เลยอย่างนี้เกิดความสังเวชสลจิตขึ้นมา มีสติประคองจิตอันนั้นลงไปจิตเดนมก็คลายอารมณ์ภายนอกทั้งหมดเข้าไปถึงความสงบได้<ม>เพราะว่ามองเห็นว่าเมื่อความตายมาถึงแล้วต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเป็นของตัวไม่มีอะไรเป็นของติดตามตนไปแม้แต่น้อยเดียว<ม>ก็เมื่อมันมองเห็นลงไปอย่างนี้เดนมก็ จิตมันก็คลายอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นออกไปได้เนะี่ยจิตมันถึงสงบลงไปได้นี่ที่จิตสงบลงไปไม่ได้ก็เพราะมันมันไม่คลายอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตนาคที่มันยึดมันถือเอามานั่นอนะเอามาหมักดองไว้ในจิตใจนะั่นใจมันก็เลยค้างอยู่มันลงไปไม่ได้เพราะมันคาอารมณ์เหล่านั้น นี่ทำอย่างไรจิตมันจะคลายอารมณ์เหล่านั้นออกไปก็หาอุบายเข้าไปเพ่งเข้าไปอย่างเช่นว่านี่แหละถ้าหาว่าใจมันแข็งกระร่างกระเดืองมันไม่อยากลงเราก็นึกถึงความตายนั้นบ่อยๆเข้าทำไมล่ละจึงเกาะจึงคล้องอยู่จึงคาอยู่เมื่อความตายมาถึงแล้ว ตนจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ติดตามไปหรืออย่างนี้นะเตือนตนเข้าไปอย่างนั้นแล้วเมื่อมันรู้ตัวได้มันก็จริงเมื่อความตายมาถึงก็าแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปแม้แต่ชิ้นเดียวสมบัติในโลกอันนี้นะเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็ใจมันก็หลงไปได้เป็นสมาธิไปได้ แต่ผูใ้ใดนึกถึงความตายแล้วใจสงบลงไปที่นี้เวลาไม่ได้เข้าสมาธิอย่างนั้นเวลาปกติอยู่ตามธรรมดาก็มันทบทวนนึกถึงความตายบ่อยๆอเพื่อป้องกันความประมาทความพลังเผลอความเพลิดเพลินมัวเมาเมื่อนึกถึงความตายบ่อยๆเข้านี่มันจะไม่มัวเมาแล้ววะนี่ มันจะไม่เพลิดเพลินล่าเริงไปในการรมคุณเป็นอย่างนั้นใน <c oughs> การาระลึกถึงความตายนี่ก็นว่าเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมแก่คนหมู่มากส่วนมากทีเดียวแหละเพราะว่าคนส่วนมากนั่นมันก็มีแต่ชอบจะเพลิดเพลินไปในการรมคุณเมถุนสังโยต นั่นแหละมากต่อมากเลยทีเดียวทีนี้บางคนจะมาเพ่งตั้งแต่อสุภะอสุพังเป็นอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่ลงก็มีจิตนั่นนะนั่นแหละวางทีโอเพ่งให้มันเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลเมื่อกลับเห็นเป็นของสวยงามไปก็มีขอลาค่าตัญหามันยอมใจ เป็นอย่างนั้นแต่เป็นเช่นนี้ล้วก็นึกถึงความตายมาประกอบเข้าด้วยนี่เมื่อมันเห็นแจ้งในความตายนั้นชัดเจนแล้วมันอาจจะคลายอารมณ์นั้นออกไปก็ได้บางคนก็บา <c oughs> ้าไปนึกถึงความตายบ่อยๆเข้ากลัวอายุมันจะสั้นมันจะตายเร็ว ไอ้ผู้ที่ยุโยงส่งเสริมอย่างนั้นก็มีคนหูเบาคนปัญญาอ่อนก็ไปเชื่อเอาเลยไม่อยากนึกถึงความตายกลัวจะอายุสั้นแท้ที่จริงแนละ้วมันหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นพระศาสดาไม่ได้ทรงสอนให้คนเราไปนึกถึงความตายหรอความจริงนะ่ะ ชีวิตนี้อัตภาพร่างกายอันนี้มันมีบุญและบาปเป็นเครื่องรักษาอยู่บุญบาปที่บุคคลทามาแต่ชาติก่อนนนทนหลังนน่นแหละมันตามมารักษาไว้อยู่ถ้าบุญกรรมนั้นยังไม่หมดตราบใดแล้วต่อเมื่อผู้นั้นจะนึกถึงความตายวันละร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่ตายอายุมันก็ไม่สั้นหรอก มันจะไปสั้นด้วยการนึกถึงความตายนั่นด้วยเหตุผลกลนใดแล้วนั่นแหละเพราะว่ามันมีหลักฐานอยู่นี้ร่างกายอันนี้นะมันมีหลักฐานยืนยันอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นคนเรานะมันต้องศึกษาให้เข้าใจเหตุผลแห่งชีวิตนี่ให้เห็นตามความเป็นจริง อย่าไปเชื่อปรำปราเพราะว่าคนที่มีความเห็นผิดมีอยู่มากในโลกอันนี้นะตนเห็นผิดแล้วก็พยายามไปหลอกลวงคนอื่นให้เห็นผิดไปตามด้วยอย่างนี้มีอยู่ทมไป <c oughs> บางคนตนเห็นผิดก็ไม่รู้หรอกว่าตนเห็นผิด ยังเข้าใจว่าตนเห็นเห็นผูกอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธ เ, เจ้าจึงได้ทรงสอนไว้ในบุคคลไม่ควรเชื่อโดยอาการสิบอย่างที่ท่านแสดงไว้ในการามสูตรนั่นแหละข้อหนึ่งนั้นว่า ไม่ควรเชื่อโดยสำคัญว่าผู้นี้เคยเป็นครูเป็นอาจารย์ของตนมานน่นอ่ะพระศาสดาทรงสอนถึงขั้นนั้นแหละถึงแม่ผู้นั้นเป็นครูเป็นอาจารย์เคยสอนตนมาอยู่บ่อยๆก็ช่างนะถ้าหากว่าตนยังวินิจฉัยคำสอนที่ท่านแนะนำนั้น ยังไม่เห็นแจมแจ้งขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็ก็ไม่ควรที่จะไปเชื่อดายไปเลยทีเดียวเนี่ยพระองค์เจ้าหมายเอาอย่างนั้นก็ต้องค้นคว้าต้องพิจารณาคำสอนที่ท่านแนะนำมานั้นอ่ะมันเป็นความจริงหรือไม่นี่ถ้าตนคิดไม่ออกก็นำไปถามท่านผู้รู้ทั้งหลายดูอื หาท่านพูรู้ท่านรู้จริงเนี่ยท่านจะได้แสดงท่านจะได้ชี้แจงให้ฟังพร้อมด้วยเหตุด้วยผลจนว่าเจ้าของปัญหานั้นหายสงสัยนั่นแหละก็จริงค่อยเชื่อหายสงสัยว่าเครูอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนมานี่นะท่านสอนถูกทางจริงเป็นทางพ้นทุกข์จริงไม่พิษ เพราะว่าตนก็พิจารณาเห็นแจ้งโดยตนเองขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะอ่านี่แหละไม่ว่าเรื่องใดๆหละเมื่อเราได้ยินได้ฟังมาก็ควรที่จะน้อมเขา้าไปวินิจฉัยให้มันเห็นแจ้งไปจากด้วยตนเองทุกอย่างถ้าไม่สามารถจะเห็นแจ้งได้ด้วยตนเองก็ไปเรียนถามท่านผู้รู้ทั้งหลายอย่างว่านั่นแหละท่านชี้แจงแนะนํา ให้เข้าใจ <c oughs> อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาอย่างหนึ่งไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในขันห้านี้เลยเมื่อมันเห็นว่างจากสัตว์จากบุ้คลตัวตนเราเขาไปอย่างนี้การที่มันจะไปสร้างกรรมดีกรรมชั่วพาตัวให้ไปเกิดอีกนั้นไม่เอาแล้ว ทำความดีก็ทำเพื่อขจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจเท่านั้นไม่ได้ทำความดีเพื่ออะไรนี่สำหรับผู้รู้ทั้งหลายนะท่านย่อมน้อมใจลงอย่างนี้ท่านอุปมามันยังบุคคลต้องการจะข้ามไปถูกฝั่งโน้นอย่างนีงน้ก็ขอนาย ห, หาไม้มาต่อเรือเขา้าพอต่อเรือเสร็จแล้ว ก็พายกันจากฝั่งนี้ก็ไปสู่ฝั่งโน้นเมื่อไปถึงฝั่งโน้นแล้วมันเป็นอิสระเสรีภาพมันไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนอะไรไม่มีอยากมีหิวอะไรเลยอย่างนี้เรื่องอะไรจะไปห่วงเรืออยู่วะนีะ่มันก็ต้องสละเรือทิ้งไปเลยนั่นแหละเพราะว่ามันได้รับอิสระภาพเต็มที่แล้วนี้ คำว่าฟังโนนั่นก็นท่านหมายเอาพระนิพพานนั้นเองแหละแต่เวลาที่ยังไม่ถึงพระนิพพานไม่ได้บรรลุพระนิพพานนะก็ต้องอาศัยเรือนั้นะไปก่อนอเมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานก็อุปมามันยังบุคคลที่ยังอยู่ในเรือนะนะัอ้นยังต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลไปก่อน บุญกุศลจะพาให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าพาให้มาเกิดในโลกอันนี้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตรมั่งมีสิสุขอะไรต่ออะไรจะเจริญด้วยลาบยศ ส, สรรเสริญและความสุขกายสบายใจความเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานโมนี้เราอาศัยบุญกุศลที่กำลังสร้างสั่งสม มาโดยลำดับนั้นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนอยังบุคคลผู้ที่นั่งอยู่ในเรือกำลังแล่นข้ามน้ำไปอยู่นั่นนะ่ะก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรน้ำก็ไม่ได้ท่วมไม่ได้จมน้ำตายเพราะเรือนั้นต่อดีแล้วเรือก็ไม่รั่วก็เปียดได้กับชีวิตจิตใจของคนเราเนี่ยเมื่อสัางสมบุญกูสอ ให้มากเต็มความสามารถแล้วส่วนใดเป็นบาปก็เพียรละเพียรถอนให้หมดให้สิ้นไปเสียอาศัยแต่บุญกุศลอย่างเดียวอย่างเนี้ยแม้จะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลําบากเดือดร้อนอะไรเท่าไหรนักอย่างนี้แหละแต่ว่าจะไม่ทุกข์เลยก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าถึงจะมีบุญมากอย่างไรมันก็ไม่พ้นจากแก่เจ็บตาย มันก็ยังมีอยู่อันทุกเหล่านี้นะแต่ว่าทุกที่เกิดจากบาปอากุศลอานวยผลให้ทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าแก่เจ็บตายนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้รับเพราะเหตุว่าละบาปหมดแล้วเช่นอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าอันบาปท่านนำจิตวิญญาณนี่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอย่างนี้นะแล้วก็ ตกลงไปในนรกน้ำร้อนร่วกไฟเผาร้องครวนคางอะไรหมดนี่นะความทุกข์เช่นนี้อ่ะบุคคลผู้มีบุญจักไม่ได้พบเลยอหมายความว่าอย่างนั้นจักได้พบแต่ความสุขความล่าเริงบันเทิงใจเพราะด้วยอํานาจบุญกุศลอันนั้นหักประคับประคองจิตใจให้เยือกเย็นสบายดี และบุญกุศลก็ตกแต่งร่างกายนี้ให้เป็นปกติไม่ค่อยจะมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนเพราะฉะนั้นบางยุคบางสมัยคนจะมีอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีล้านปีน้นก็มีอย่าว่าคนจะไม่มีอายุยืนนะก็ด้วยอำนาจบุญนั่นแหละเมื่อมัน สั่งสมมากๆเข้าไปแล้วมันก็ทำให้มีอายุยืนยาวนานไปนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วอายุยืนเช่นนั้นน่ะคงไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายเหมือนอย่างคนที่มีอายุสั้นในยุคนี้สมัยนี้นะไม่ถ้าหากว่ามีแต่โรคภัยเบียดเบียนอยู่อย่างยุคอย่างสมัยนี้คนจะไม่มีอายุยืนอย่างนั้นเลย ก็เหตุที่มันมีอายุยืนไปได้ก็คงจะมีตั้งแต่โรคหิวข้าวกระหายน้ำหิวหลับหิวนอนปวดอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นละมั้งโรคอันประจำสังขารอันนี้นะก็มีเท่านั้นแล้วมันจะไปเดือดร้อนอะไรนักหนาแนหะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนลอมถึงมีมีอายุยืนนะ คนที่มีอายุสั้นก็เพราะเหตุว่ามันมีทั้งบุญทั้งบาปติดตัวมานั่นแหละคราวใดบุญได้ผลก็รู้สึกว่าเป็นสุขสบายไปสั่วระยะหนึ่งคราวใดบาปให้ผลเอาแล้วร่างกายอันนี้เกิดความอิบัตดขึ้นมาแล้วไม่อย่างไดก็อย่างหนึ่งอย่างเช่นสมัยทุก ว, วันเนี่ยนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งหมอรักษาเยียวยาให้ไม่ได้แล้วมันยังมีไอ้รสความแขนหักขาหักตามบอดอะไรธรพัดไ้ร่างการมันจะวิบัติลงไปเสียองค์ฆกันไปจนตลอดปันตายนั่นก็มีเมืน่เนี่ยถูกจนมันจี้มันโปรนมันทำไรร่างกาย ให้เจ็บให้ป่วยรอดล้มรอดตายหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่ผลแห่งบาปกรรมที่ผู้นั้นทำเอามาจะชาติอนมันตามมาให้ผลทั้งนั้นแหละแต่คนส่วนมากไม่ค่เชื่อหรอกเ น, นื่องว่า ม, มันก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นปัจจุบันนี่จะว่าแต่กรรมอดีตอะไร ม, มันก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละ แต่ทีนี้คนที่เขาไม่มีกรรมเวรเขายังไม่อุบัติเหตุมีอยู่ถมไปไม่ใช่เหรอนั่นอันนี้อะไรเฉพมาะเมื่อมีตนเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าหากว่าพูดตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแน่นอนแหละคนเราถึงความอุบัติไม่สามารถจะเยียวยาแก้ไขได้อย่างนั้นมันต้องกรรมเวรจริงๆเลยทีเดียว อตอนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนมาแต่ชาติก่อนโน้นไปทุกไปตีเขาเสียองค์พะอะไรทอะไรไปหมูนั่นแหละนั่นเกิดมาชาตินี้กรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสมันก็ให้ผลอเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างพระภิกษุองค์หนึ่งที่มีนามว่า ท่านปูติคัตตะกายะเถระแปลว่าพระเถระผู้มีกายอันเนา่าตั้งแต่ขั้งศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะนั่นเนี่ยเมื่อพระ อ, องค์ดับขันปริพันธ์ไปแล้วก็ยังเหลือแต่พระสงฆ์วันนี้ก็มีครอบครัวหนึ่งพ่อบ้านนั้นเป็นพานนก ไปเที่ยวดักเอานกมาขายเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างนั้นอต่ น, นี้เมื่อจับนกได้มาหลายๆแล้วกลัวมันจะบินหนีก็ไปหักปีกหักขามันแล้วก็เอาวางไว้ให้คนมาซื้อเอาไปทำอาหารกินกันอย่างนี้แหละมืนี้อยู่มาวันหนึ่ง พ่อแม่ครัวนั้นทําอาหารปิ้งนกใส่ภาชนะมาต่อหน้าพ่อบ้านนั้นพอดีก็มีพระอระหันต์องค์หนึ่งท่านมายืนบินาบาตหน้าบ้านพ่อบ้านคนนั้นเห็นพระมายืนอยู่นั่นก็เรื่อมใสยินดีและเลยเอาอาหารที่แม่ครัวยกมาให้ตนกินนั้นไปใส่บาศให้พระเทระองค์นั้นเสีย แล้วก็ตั้งปณิธานปรารถนาลงว่าด้วยอำนาจแห่งผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแบ่งในธรรมที่ท่านรู้แล้วนั้นเถิดพระท่านก็ให้พรแล้วท่านก็ผ่านไปวันนี้เมื่อหมดอายุสังขารในชาตินั้นแล้ว ไม่สาดจมีตกนรกหรืออะไรทำราถาไม่ได้กล่าวไว้พอมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยชายคนนั้นก็มาเกิดในเมืองสาวัตถีนั้นพอเกิดเจริญไว้ใหญ่โตเป็นนมขึ้นมาก็พอดีพระพุทธเจ้าบัดบังเกิดขึ้นในโลกได้ไปสร้างวัดตั้งวัดอยู่ที่เมืองสาวัตถี ชื่อวัดเศตวันนรามนั่นกุลบุตรผู้นี้ก็มีศรัทธาออกบวชกับบรรดาหนุ่มทั้งหลายเช่นเดียวกันเมื่อบวชมาแล้วท่านก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาธรรมวินัยและปฏิบัติเจริญสมถาวิปัฏนามาโดยลำดับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรท่านอยู่มานี่ ไอ้รมเวรที่ท่านได้ทำมาแต่ก่อนได้หักปีกนกได้หักขานกนั่นแหละมันได้โอกาสให้ผลแล้วก็ทำให้เกิดเป็นตุ่มผุพองขึ้นทั่วร่างกายเลยน้ำเหลืองไหลเยิ่มทรงกินเหม็นจนว่าลูกสิลูกหานั่นไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ได้ท่านก็นอน แช่น้ำเน่าน้ำเหม็นตัวเองอยู่อย่างนั้นเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ป่ะนี่ในคืนวันหนึ่งพระศาสดาเร็งยานสองสัตว์โลกท่านปูติคัตตะกายเถระนี่ก็ไปต้องขายพยานของพระองค์รุ่งเช้ามาพระองค์จึงสเสด็จเดินทำท่าเดินเรียบวัดไปๆไปแล้วก็ไปสู่ที่อยู่ของ เถระองค์เนี้ก็ไปเห็นท่านนอนแช่น้นำเน่าน้าเหลืองอยู่งั้นเนี่ยจนเราพระเ น, นทั้งหลายไม่ใกล้แล้วเขาองค์ก็ไปทำท่าติดไฟขึ้นเอาน้ำใส่หม้อตั้งขึ้นพระทั้งหลายเห็นอย่างนั้นก็รีบกุลีกุจอมารับอาสาธรรม แทนพระ อ, องค์มเมื่อน้ำเดือดแล้วพระเหล่านั้นก็เอาผ้าท่านไปลวกน้ำร้อนอไปซักเอาผืนหนึ่งไปซักแตพ่พระสมัยนั้นเพื่อนมีผ้าสามตัวจริงๆเนีไม่ในเรื่องนั้นไม่ปรากฏว่าได้เอาผ้าผืนอื่นมาผัดเปลี่นเช่นเอาผ้าสบงออกไปซัก ลวกน้าร้อนแล้วก็เอาจีวรห่มไว้เมื่อตากผ้าสบงแห้งแล้วก็ผ้าสบงนั้นมานุ่งให้เอาจีวรไปลวกน้ำร้อนอไปซักให้สะอาดตากให้แห้งแล้วในขณะนั้นก็เอาผ้าทุบน้าอุ่นไปถูไปพยายามถูตา ตัวของท่านนั้นแหะให้น้าเหลืองน้าเน่าอันนั้นมันออกไปให้ร่างกายสะอาดไปด้วยดีหมดจดดีแล้ววันนี้ผ้าจีวรแห้งแล้วก็ผ้าจีวรมาห่มให้เมื่อนุ่งสวงทรงจีวรเรียบร้อยแล้วพระศาสดาก็จึงไปประทับยืนอยู่บนศีรษะของท่าน ปติคัตตะกายเถระนั้นแล้วกล่าวพาสิทนี้ขึ้นว่าอาจิรังวัตายังกายโยปทวิงอธิเสชาติชุดโดอเปตะวิญญาโนนิรัถทั้งว่าคริงคลังโอ้ร่างกายของคนเหล่านี้ไม่นานหนอบังเกิดก่อแล้วกลับกายดุจะฟองแห่งหน้าไมาย เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป <c oughs> เมื่อจิตวิญญาณนี้ละร่างอันนี้ออกไปแล้วร่างกายนี้ก็นอนทอดอยู่บนพื้นแผ่นดินอุปมาเหมือนอย่างท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปฉะนั้น <c oughs> เมื่อพระ อ, องค์ตรสัสภาษีนี้จบลง ท่านปูติคัตะกายเถระก็ได้บรรลุอรหันต์เมื่อท่านได้บรรลุอรหันต์แล้วท่านก็มนิบพานไปเลยเรียก ว, ว่าหมดอายุสังขารพอดีเลยอันนี้ที่ยกเรื่องราวของท่านผู้ทำทั้งบุญทำทั้งบาปมาอธิบายสู่กันฟังนะ เพื่อให้รู้ว่าคนเรานั่นน่ะทําทั้งบุญทั้งบาปมันก็ได้สวยทั้งสุขทั้งทุกข์ดังกล่าวมานี่แหละใครชอบหรือแบบเนี้ยนั่นถามตัวเองดูสิ <c oughs> ถ้าชอบก็ทําทไปไม่มีใครว่าอะไรหรอกถ้าไม่ชอบบาปไม่ชอบความทุกข์ดังกล่าวมานั้น อ้าก็ต้องเว้นบาปอือย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนะต้องเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอย่างนี้แหละวเว้นให้เด็ดขาดไปเลยแล้วมันก็นั่นถ้าบุญกุศลยังไม่เต็มเกิดไปชาติใดพบใดก็จะมีร่างกายอันบริสุทธิ์พุดธพองไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงอะไรมาเบียดเบียน มีกำลังวังชาดีมีอายุยืนยาวนานถ้าหากว่าได้เกิดในสมัยได้พบพุทธศาสนาหรือได้พบพระพุทธเจ้าก็จะมีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่คนเราจะทำความดีได้ก็เพราะร่างกายดีแข็งแรงทั้งจิตใจก็เข้มแข็งจิตใจก็ไม่อ่อนแอ พ้อแท้ต่ออำนาจของกิเลสตัณหาทั้งร่างกายก็มีกำลังเลี่ยวแรงพอจะทำกุศลคุณงามความดีต่างๆได้นี่นะมันต้องพร้อมทั้งวาจาก็ดีไม่เป็นคนปากเกือกเป็นผู้มีเสียงไพเราะพอกพิ้งเรียวว่าพร้อมด้วยไตรทวารก็แล้วกันเลยเมื่อผู้ใดเพียบพร้อมด้วยไตรทวารดังกล่ามานี้นะ ก็สามารถประกอบกุศลคุณงามความดีได้เต็มที่เลยทีเดียวสามารถประกอบทานการกุศลได้เรียวกว่าควนควายในวัตถุทานได้สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้สามารถเจริญภาวนาสมาธิเพื่อบรรลุทำขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับได้อยู่ โดยอาศัยกาลังกายนี่แหละช่วยเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละในเมื่อพระ อ, องค์อดอาหารจนสูกจนผอมก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสู้กับมารทั้งหลายได้ก็ไม่สามารถจะบรรลุสัมมาสัมโพธิาญาณได้ต่อเมื่อพระ อ, องค์บินทบาทมาบำารุัสภาพร่างกายนี้ให้มีกำลังเป็นปกติแล้ว จึงได้เสด็จประทับนั่งบนบันลังใต้ต้น พ, พระศีมหาโพธิ์ต่อสู้กับพญามารและเสนามารเหล่านั้นให้พ่ายแพ้ไปได้อย่างราบคาบเลย mm hmm. ก็เพราะอาศัยพระ อ, องค์เพียบพร้อมไปด้วยทั้งกำลังพระกายกำลังพระมนต์คือดวงใจกำลังปัญญานี่ประกอบพร้อมไปหมดเลย เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้สะดับตรับฟังแล้วก็พึ่งพาพึ่งพากันมีโยนิโสมนสิการพิจารณาให้เห็นอำนาจแห่งการละบาปบาเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในตนดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับก็นับว่าสมควรแก่เวลา ขอยุดติลงเพียงเท่านี้